หายใจไป น, นั่งอยู่หายใจอยู่รู้สึกเห็นนั่งกายมันนั่งเห็นนั่งกายมัหายใจใหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกแค่รู้สึกไม่เข้าไปแทรกแซงไม่ใช่ว่าต้องไปบังคับ หายใจแบบนั้นแบบนี้อะไรเงี้ยพระเุทธเจ้าไม่ได้สอนมัคนคะนหายใจกำหนดเป็นจุดๆๆนะหกจุดเจ็ดนะจุดอะไรเงี้ยเป็นอุบายของครูบาอาจารย์บางท่านบางองค์ท่านทำอย่างนั้นแล้วดีสิ่งที่พระเุทธเจ้าสอนนเรียบง่ายไม่มีอะไรมาก ให้ใจออกรู้สึกตัวให้ใจเข้ารู้สึกตัวไปพอเรารู้สึกตัวได้แล้วต่อไปก็แยกขันแยกขันเห็นร่างกายมันนั่งใจเป็นคนดูร่างกายยืนเดินนั่งนอนใจเป็นคนดูร่างกายหายใจใจเป็นคนดูแยกมันไปพอแยกขันได้แล้วต่อไปก็แยกให้ละเอียดขึ้นอีก ในทางรูปขันธ์รูปธรรมเห็นร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนเห็นร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งในส่วนของนามธรรมเห็นความสุขความทุกข์เกิดขึ้นในกายตั้งอยู่ในกายชั่วคราวแล้วก็หายไปเกิดแล้วก็ดับไปความสุขความทุกข์ ความไม่สูงไม่ทุกข์เกิดขึ้นในจิตผ่านเข้ามาให้จิตรู้อยู่ช่วคราวแล้วก็หายไปมันไม่ใช่เรื่องยากนะทำได้ธรรมะของพระพุทธเจ้าเรียบง่ายค่อยๆดูขั้นแรกรู้สึกตัวไปมีเครื่องอยู่เช่นอยู่กับร่างกาย ที่หายใจออกร่างกายที่หายใจเข้าหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเขารู้สึกตัวฟังดีๆจะได้ยินหลวงพ่อพูดว่าหายใจออกแลว้วก็หายใจเข้าในพระไตยปิดกพูดถึงการเจริญสติปัฏฐานด้วยอนาปานาสติ ทานบอกหายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาวหายใจเข้ายาวรู้ว่าหายใจเข้ายาวให้ใจออกสั้นรู้ใหายใจออกสั้นหาใจเข้าสั้นรู้หายใจเข้าสั้นหายใจออกก่อนให้ใจออกแล้วใจมันจะผ่อนคลายอย่างเวลาคนมีความทุกข์เยอะๆชอบใหายใจออกแรงๆเรียกว่าถอนใจอย่างนี้ย ใจมจะผ่อนคลายมันเป็ น, นกลไกปกติธรรมชาตินะคลุ่มใจก็ถอนใจ อ, อย่างเงี้ยจะสบายขึ้ น, นเวลาเราจะรู้การหายใจนะเราเห็นหร่างกายหายใจออกไปบางคนก็ช่างสงสัยเริ่มด้วยหายใจออกแล้วตอนนั้นในตัวเราไม่มีลมในปอดไม่มีลมจะทำยังไง ยังไงมันก็ต้องมีสักนิดหนึ่งนะอะปลอดมันไม่ได้แฟบร้100อเปหรอกพยายามให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวจุดแรกของการปฏิบัติเลยให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวงั้นวิธีฝึกอย่างเรานั่งอยู่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเราก็จะเห็นร่างกายมันนั่ง เวลาเราหายใจใจิใจอยู่กันเน้กน็ตัวม่ใช่จะเห็นร่างกายมันหายใจฟังที่หลวงพ่อพูดใช้ภาษาจับประเด็นให้ได้หลวงพ่อบอกว่าร่างกายมันนั่งร่างกายมันยืนร่างกายมันเดินร่างกายมันนอนร่างกายมันหายใจออกร่างกายมันหายใจเข้าหลวงพ่อใช้ควาว่าร่างกาย หลว่อไม่ได้ใช้บอกเราหายใจออกเราหายใจเข้าเรายืนเราเดินเรานั่งเรานอนคนที่ไม่เคยภาวนาไม่เคยได้ยินธรรมะเวลาให้รู้ลมหายใจมันก็เป็นเราหายใจรู้อิริยาบฏสี่ยืนเดินนั่งนอนก็เป็นเรายืนเดินนั่งนอนนันเติมเราลงไปเวลารู้ความสุขความทุกข์เราสุขเราทุกข์ คำว่าเราเนี่ยเป็นภาพลวงตามันไม่ได้มีจริงหรอกมันเป็นสัญญาที่ผิดๆการหมายรู้ผิดๆว่ามันมีเราอย่างหลวงพ่อถึงใช้คาว่าร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าไม่ใช่เราหายใจออกเราหายใจเข้าร่างกายยืนเดินนั่งนอนมีความสุขมีความทุกข์เกิดขึ้นในร่างกายไม่ใช่เราสุขเราทุกข์ มีความสุขมีความทุกข์มีความไม่สุขไม่ทุกข์เกิดขึ้นในจิตใจไม่ใช่จิตใจเราสุขจิตใจเราทุกข์เนี่ยค่อยๆหมายรู้หัดหมายรู้ให้ถูกซะมันไม่มีเราความเคยชินนะมันจะคอยคิดว่ามีเราเราหายใจเรายืนเดินนั่งนอนเราสุขเราทุกข์เราโลภเราโกรธเราห ล, ลงเราฟุ้งซ่านเราหดหู่จะมีเราขึ้นมา นี่มหาทานานะหัดแยกขันธ์ออกไปร่างกายมันนั่งใจเป็นคนดูมันจะเห็นร่างกายเป็นของถูกลุกถูกดูร่างกายไม่ใช่เราลองรู้สึกดูสินะตอนนี้เลยฝึกทำให้ได้ตั้งแต่ตอนนี้เนี่ยกลับบ้านก็ทำเป็นตอนนี้ร่างกายนั่งอยู่รู้สึกไหม แค่รู้สึกนะรู้สึกไหมร่างกายนั่งอยู่เห็นไหมรู้สึกไหมร่างกายหายใจไม่ต้องไปจ้องที่ลมหายใจนะแค่ร่างกายหายใจออกก็รู้ร่างกายหายใจเข้าก็รู้ท่าไม่ได้ไปให้เพ่งลมหายใจส่วนใหญ่เราไปเรียนเราชอบไปเพ่งที่ลมหายใจแต่นี่รู้ว่าร่างกายหายใจ เพ่งลมายจมักลายเป็นเราเราหายใจเราเพ่ง น, นั่งอยู่รู้สึกไหมหายใจอยู่รู้สึกไหมรู้สึกไปสบายๆอย่างเนี้ยฝึกไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งมันจะเห็นนะยร่างกายที่มันหายใจร่างกายที่มันนั่งเนี่ยมันไม่ใช่เรามันเป็นของที่ถูกรู้ถูกดูมันไม่ใช่เราหรอก เป็นสิ่งที่จิตไปรับรู้เข้าลองทำนะค่อยๆทานั่งก็ทำไปธรรมะเรียนไม่ได้ด้วยการฟังเอาเรียนไม่ได้ด้วยการคิดเอานะเรียนได้ด้วยการเห็นเอาตอนนี้เราเห็นร่างกายมันนั่งเรารู้ด้วยใจ ร่างกายมันหายใจเรารู้ได้ใจไม่ต้องคิดเอาว่าตอนนี้หายใจหรือไม่หายใจตอนนี้นั่งหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่เห็นจะต้องคิดเลยมันก็รู้ๆอยู่แล้วว่านั่งอยู่เนี่ยเบื้องต้นก็ฝึกแบบนี้นะฝึกให้มากๆจิตใจเรามันหนีไปที่อื่นมันลงไว้คิดร่างกายนั่งอยู่มันก็ไม่รู้ ร่างกายหายใจออกหายใจเข้ามันก็ไม่รู้ตอนที่มันหลงไปงั้นเราฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเห็นร่างกายมันนั่งเห็นร่างกายมันหายใจรู้สึกไปสบายสบายไม่ต้องหวังว่ารู้แล้วจะได้อะไรถ้าหวังว่าจะได้นโน้นได้นี้มันจะไม่ได้อะไรนอกจากความฟุ้งซ่าน ตั้งใจใหายใจแรงไปถ้าเราจงใจใหายใจนะใจมันจะแน่นแน่นเครียดเคียดอันนั้นไม่ถูกนี่เราไม่ได้นั่งอย่างเดียวใช่ไหมตอนที่นั่งอยู่เราก็หายใจด้วยแล้วร่างกายเราก็กระดุกกระดิกเป็นระยะระยะเดี๋ยวก็หยุดนิ่งเดี๋ยวก็เคลื่อนไหว น, นี่ก็เคลื่อนไหวละก็ปิดตาปิ๊บปิปิ๊บก็เคลื่อนไหว เราคอยรู้สึกนะร่างกายหายใจก็รู้สึกร่างกายยืนเดินนั่งนอนก็รู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งก็รู้สึกนี่รู้สึกไปเรื่อยรู้สึกสบายๆไม่ได้รู้สึกด้วยความหวังผลว่าจะต้องได้อะไรถ้าอยากได้มันจะไม่ได้หลวงพ่อตั้งแต่เด็กนะไปเรียนอาณาปณาสติก็ท่านพ่อหลี ไปเรียนไม่กี่ครั้งหรอกผู้ใหญ่ก็ไม่ค่อยพาไปกลับมาบ้านก็มาให้ยใจเข้าพูดใหายใจออกโทรอะไรเงี้ยต่นนั้นยังจับเคล็ดลับไม่ได้หายใจเข้าก่อนใจมันก็แน่นเลยนะรู้สึกว่าดีหนักแน่นดีหายใจเยอนะหายใจไปหายใจไปเรื่อยๆใจมันค่อยๆสงบ มันสงบเองเพราะเราเป็นเด็กเราไม่รู้ว่าหายใจแล้วมันจะได้อะไรก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องได้อะไรท่านพอดีสอนให้หลวงพ่อหายใจหลวงพ่อก็หายใจหายใจเข้าบริกรรมพุทธหายใจออกโทนะบริกรรมโทนับหนึ่งด้วยหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทนับสองอย่างเงี้ยท่านให้ทำก็ทำ ครูบาอาจารย์สั่งก็ทำทำอยู่ไม่กี่วันให้ตัวการนับมันหายไปว่าใจมันเริ่มสงบแนละ้วการนับตัวเลขนะ่มันกลายเป็นส่วนเกินเป็นภาระก็เหลือแต่หายใจเข้าพูดให้ใจออกโทว่าใจมันสงบมากขึ้นนะพุโทโธก็หายไปพุโทโธเป็นภาระก็เหลือแต่การหายใจ ใจมันสงบขึ้นลมมันค่อยละเอียดละเอียดขึ้นมามันตื่นขึ้นเร่ยๆที่แรมหายใจถึงท้องมันตื่นตนื่นขึ้นมาอยู่ที่ปลายจมูกใจก็สงบลงไปฝึกเหมือนได้แค่นั้นนะได้แต่สงบใจว่างๆสงบสงบไม่รู้จะไปต่ อ, อยังไง เนี่มาไปได้ยินได้ฟังอ่านหนังสือบ้างอะไรบ้างหาทางปฏิบัติอ่านพระไตรปิฎกอ่านทั้งหลารอบเนี่ยไม่รู้จะปฏิบัติยังไงธรรมะเยอะเหลือเกินหาจุดเริ่มต้นไม่ได้อ่านหนังสือที่ครูบาอาจารย์วัดป่าท่านสอนอะไรเงี้ยหรือฟังวิทยุหลวงพ่อใต้เด็ๆนั่งพยายามฟังพยายามหาวิธีปฏิบัติ ดึกๆยังตื่นขึ้นมาฟังท่านก่อขาวสวนหลวงมั่งจันแนบมหานนรานนทมั่งจันแนบสอนอริยธรรมฟังรู้เรื่องมั่งไม่รู้เรื่องบ้างแต่ท่านก่อข่าวสวนหลวงนสอนแหมมันถึงใจแล้วยังทาไม่เป็น ไ, ได้ยินได้ฟังการพีชจะะารณ์กาย หลวพ่อก็ลองพิจารณากายดนะ้วยหายใจไปไว้ใจสงบแล้วก็ดูร่างกายดูผมถ้าท่านชอบสอนผมคนเล็บฟันหนังอะไรดูผมไปใจมันมีสมาธิสงบดูผมนะผมมันก็หายไปเห็นหนังสีรษะดูหนังสีรษะหนังสีรษะหายเห็นหัวกะโหลกดูหัวกะโหลกแล้วหัวขาดไปหัวแหว่งหายไปเลย เหลือแต่ตัวดูลงมาในร่างกายที่ยังนั่งอยู่นะเนื้อหนังอะไรก็หายไปหมดเหลือแต่กระดูกดูกระดูกต่อไปนมันระเบิดเปรี้ยงเลยกลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเหมือนก้อนกรวดกระจายในพื้นดูต่อไปวัตถุยังไม่หมดดูต่อไปอีกไอ้ก้อนกระดูกเล็กๆะ กลาสภาพเป็นแสงแกลายเป็นแสงสว่างกระจายออกฟปตามธรรมชาติของมันร่างกายหายไปเหลือแต่จิต ด, ดวงเดียวก็ไปต่อไม่เป็นอีกละทำอย่างนั้นได้แต่ว่าไม่รู้จะไปต่ อ, อยังไงไม่ได้เรียนนี่ไปบวชตอนเป็นนักศึกษาไปบวชที่วัดชนประทาน มีบทสวดวนแปลนะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกขนะ์เป็นอนัตตาอะไรอย่างนี้เปสวดไปแต่ไม่รู้ความหมายนะมันเป็นไงก็ไม่รู้ที่มาเจอหลวงปูด่ดุลท่านบอกให้หลวงพ่อดูจิตท่านไม่สอนหลวงพ่อดูกายไม่สอนหลวงพ่อทําสมถะเพรหลวงพ่อทํามาแล้วท่านก็สอนให้ดูจิตเข้าไปเลย ทีแรกก็ดูผิดไปบังคับจิตให้สงบให้นิง่งให้ว่างให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่เฉยๆหลวงปู่บอกพามผิดแล้วจิตมีธรรมชาติคิดนึกปรุงแต่งไปทำจนมันไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งรู้ตัวอยู่เฉยๆทำผิดแล้วไปทำใหม่ท่านบอกให้มาดูจิตหงพ่อก็มาดูดูไปเรื่อยๆ ตอนแรกที่ท่านสอนให้ดูจิตนะครั้งแรกที่เจอท่านะหลวงพ่อไม่รู้เลยซ้ำว่าจินอยู่ไงจินเป็นเป็นอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้จินเป็นไงก็ไม่รู้จะอะไรไปดูก็ไม่รู้จะดูยังไงก็ไม่รู้ไม่รู้อะไรสักอย่างเลยคําว่าดูจิตนะเริ่มมาจากศูนย์เลยนี่พอดูไม่เป็นวุ่นวายนั่งรถไฟมาจากสุรินทร์จะมาโคราชนั่งมา นึกขึ้นได้หลวงปู่สั่งให้ดูจิตแล้วก็เราดูไม่เป็นตกใจตกใจไม่รู้จะทำไงกลัมาหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรไมพอใจเริ่มสงบไม่ตกใจแล้วก็พิจารณาท่านให้ดูจิตจิมอยู่ที่ไหนจิตมันไม่อยู่ข้างนอกหรอกจิมไม่อยู่ตามท้องไร่ท้องนาไม่อยู่ตามต้นไม้ข้างนอกหรอก จิตต้องอยู่ในร่างกายนี่แหละงั้นต่อไปนี้เราจะทำกรรมฐานเนะี่ยจะไม่เกินกายมาถึงจะรู้อยู่ไม่เกินกายออกไปไม่ออกไปรู้ข้างนอกนะตอนเด็กๆชอบออกไปรู้ข้างนอกนะไปดูนรกดูสวรรค์นรกไม่ไปไม่ดูสวรรค์นะ้าไปเห็นผีเปรตเห็นโน้นเห็นนี่ไป อาสาล่แกนสารไม่ได้มันเห็นจริงๆนะแต่หลวงปู่ดูลันท่านเคยบอกว่าที่คนภาวนาแล้วเห็นโน่นเห็นนี่มันเห็นจริงๆแต่ที่สิ่งที่ถูกเห็นมันไม่จริงจิตมันสร้างขึ้นมานีพอมาหัดภาวนากนะ็ค่อยๆรู้สึกขึ้นมาจิตต้องอยู่ในร่างกายนี่แหละ แต่อยู่ในส่วนไหนของกายอยู่ในผมเนะ้ก็ไม่มีขนะนเล็บฟันหนังเนะ้อเองกระดูกนะแต่หัวถึงเท้าเท้าถึงหัวไล่ขึ้นไล่ ล, ลงตระเวณหานจิตอยู่ในกายจินอยู่ในกา ย, ย, กายแต่หาไม่เจอว่ามันอยู่ตรงไหนในกายเนื่องนึกถึงบทสวดมนต์นแปลที่เคยสวดตอนบวชอย่ ว, วัดชมพูทาน มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือจิตอยู่ในเวทนาคือความสุขความทุกข์ทำสมาธิให้จิตมีความสุขพอจิตมีความสุขเราดูลงไปในความสุขความสุขก็ดับไปไม่เห็นมีจิตหรือจิตอยู่ในความทุกข์นั่งสมาธิให้ทุกข์ไม่เป็นอาศัยกาย นั่งนิ่งๆไม่กระดุกกระเดกนะนั่งพยายามนั่งกายมันทุกข์ขึ้นมาดูลงไปในทุกข์ของกายนะงนความทุกข์มันดับก็ไม่เห็นจิตหาต่อไปอีกหรือจิตอยู่ในความคิดตอนไหนคิดว่าสังขาร น, นี่คือตัวความคิดก็จงใจคิดบทส่วหมนตนะจงใจคิดเลย พุทโธสุสุดโธกรุณา m a h a n โว o h พระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดังห้วงมาหันนบพระท้องพุทโธสุสุดโธเนีเห็นกระแสะของความคิดมันเลื้อยออกมาจากกลางอกกลางอกมันว่างๆความคิดมันผุดขึ้นมาจากกลางอกเหมือนงูนะเลื้อยออกมาแล้วก็สลายไป ทันทีที่เห็นจิตคิดจิตคิดดับปั๊บจิตรู้ว่าเกิดขึ้นจิตรู้เกิดขึ้นเห้ยตัวนี้เห็นมาตั้งแต่เด็กแล้วนั่งสมาธินะพอร่างกายหายไปก็เหลือจิตรู้เลยนึกว่าเนี่ยดูจิตก็ต้องมานั่งเฝ้าไว้จิตรู้นี่ไว้เฝ้าอยู่เฉยๆหลวงปู่ดนไปหาท่านครั้งที่สองได้บอผิดแล้ว จิตมีธรรมชาติคิดนึกปรุงแต่งไว้นั่งเฝ้าอยันมันไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งทาผิดละให้ไปดูใหม่หลวงพ่อมาเก็ตคำว่าดูคำว่าดูมาเราดูหนังเนี่ยเราไม่ใช่คนแต่งบทเราไม่ใช่ผู้สแสดงเราไม่ใช่ผู้กํากับเราเป็นคนดูหนังมันมีอะไรให้ดูเราก็ดูนั้นจิตใจมันเป็นไงเรารู้ไปอย่างนั้น ก็เราเห็นนะเดี๋ยวจิตก็สงบเดี๋ยวจิตก็ฟุ้งซ่านเดี๋ยวจิตก็สุขเดี๋ยวจิตก็ทุกข์เดี๋ยวจิตก็ดีเดี๋ยวจิตก็ชั่วเนี่ยใจมเป็นคนดูมันแยกได้นะอย่างความสุขเกิดขึ้นเนะยจิตเป็นคนรู้ะมันไม่ใช่เรารู้ละมันเนี่ยค่อยๆดูไปจนสามารถแยกเอาจิตออกมาได้แยกจิตออกมาก็คือแยกจิตออกจากขัน ตรงนี้บางคนได้ยินว่าแยกจิตออกจากขันนะึกคิดว่าถอดจิตออกจากร่างไม่ใช่นะแยกจิตจากขันตัวอื่นอย่างเรานั่งอยู่เนี่ยร่างกายมันนั่งจิตมันเป็นคนรู้ไม่ต้องไปหาว่าจิตอยู่ตรงไหนแต่เราจะเห็นว่าร่างกายที่นั่งนี่มันถูกรู้ถ้ามันมันถูกรู้ได้มันก็ต้องมีตัวที่รู้ได้แต่ไม่ต้องไปหาว่าตัวรู้มันอยู่ที่ไหน หลวงพ่อบอกเราเมื่อกี้เนี่ว่ามันมันอยู่ในกายเนี่ยแต่มันไม่อยู่ส่วนไหนของกายเลยเราจะเจอมันได้ถ้าเราไม่หลงไปอยู่ในความคิดงั้นนั่งไปหายใจนั่งหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกไปขยับตัวก็รู้สึกทํานอนทํำนี้รู้สึกไปรู้สึกนั่งสมาธิเมื่อยก็นวดไปก็ได้ มัเห็นจะมีข้อห้ามเลยใช่ไหมนั่งนะเห็นจับลงไปนะเห็นร่างกายมันเป็นท่อนๆนนะมีเนื้อมีหนังกระดูกก็แข็งๆนะมีความอุ่นความอุ่นก็ไปาธาตุไฟนะตัวอ่อนตัวแข็งนะเป็นาธาตุดินคอยรู้สึกลงไปเรื่อยๆมันแค่วัตถุร่างกายนี้มันเป็นแค่วัตถุ ลองนวดตัวเองดูซิลองนวดแขนดูอย่าคิดมากนะแค่รู้สึกเฉยเฉรู้สึกเฉยเฉยลองนวดดูรู้สึกไหมมันเป็นแค่วัตถุใครรู้สึกได้บ้างว่ามันเป็นแค่วัตถุไม่รู้ว่าว่าร่างกายเป็นวัตถุมันยากเหรอธรรมดากก็วัตถุแหละแข็งแข็งเนี่ย น้ำมาทำมันแข็งซะที่ไหนล่ ะ, ะตัวแข็งๆนี่เรียกธาตุดินลองสัมผัสดูสิร่างกายเราแต่ละจุดเนี่ยนะมันร้อนไม่เท่ากันลองสัมผัสปลายนิ้วดูสิแล้วลองสัมผัสข้างบนขึ้นมา ม, มันร้อนไม่เท่ากันสึกไหมนี่ความร้อนนี่เป็นตัวเราไหม รู้สึกเปล่าว่าความร้อนไม่ใช่เราหรอกนะไอ้ความแข็งความนิ่มอ่ะเป็นตัวเราไหมตัวนี้ดูยากกว่าร้อนนะความร้อนเราเห็นนะมันไม่ใช่เราไอ้แข็งแขงนี้ยังเป็นเราอยูนะครๆดูลองไปในร่างกายนะมันไม่มีเราหรอกนะถ้าใจเราเป็นแค่คนดูนะถ้าใจเราเป็นคนคิดแล้วก็มันเป็นเราขึ้น ม, มาแนละ้เพราะความเป็นเราเกิดจากการหมายรู้ผิดนะ การคิดผิดผิดการเชื่อผิดผิดเรียกสัญญาวิปลาสจิตตะวิปลาสทิฏฐิวิปลาสหมายรู้ผิดคิดผิดเชื่อผิดมีความเห็นผิดนี่เราไม่เอาความคิดเอาความเชื่ออะไรมาใช้สัมผัสลงไปดูสิหมายรู้ใหม่ให้ถูกสิ่งที่ถูกรู้ไม่เห็นมันเป็นเราตรงไหนเลยอยนี้เรียกหมายรู้อนัตตา มันไม่ใช่เราหรอกขยับลองขยับซิขยับเห็นมือขยับไหมเห็นนิ้วขยับไหมมันเป็นเราไหมเราขยับป่าถ้าใจเป็นคนดูนะันจะเห็นร่างกายมันขยับร่างกายมันขยับอย่างนี้ไม่ถูกนะ ห, หนูคนนั้นนะนะอย่างนี้ไม่ถูกนะ มัน <c oughs> ขยับไปตามธรรมดาใจก็ธรรมดาค่อยๆดูลงไปนะดูมีความรู้สึกอยู่ในร่างกายเนะี่ยทีแรกก็เห็นร่างกายมันนั่งเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนเนยะยาง ก, กาลังนั่งก็รู้ว่ามันนั่งอยู่กาลังหายใจอยู่ก็รู้ว่ามันหายใจอยู่แล้วค่อยๆดูลงไปนะมันไม่มีเราในร่างกายนี้ไม่มีตัวเรา อยู่ในร่างกายนี้ตัวเราอยู่ในความคิดเท่านั้นเองสัมผัสไปเนี่ยนั่งกรรมฐานแบบหลวงพ่อนะสบายสบายเห็นไหมยอดจะสุขขาปฏิปทาเลยนั่งนวดน ะ, นะถ้าภาวนาไม่เป็นนะนึกว่าพวกนี้บ้าอะไรวะทำกรรมฐานทำไมไม่นิ่ง มานั่งนวดอยู่ได้เวลานวดลงไปกดลงไปมีความรู้สึกเกิดขึ้นรู้สึกไหมอย่างลงกดแรงๆสิรู้สึกเจ็บๆรู้สึกไหมตัวความรู้สึกที่เกิดในร่างกายเนยะที่เรียกว่าเวทนาสังเกตไหมความรู้สึกไม่ใช่ตัวเรามันเป็นแค่ความรู้สึกที่เกิดขึ้นเท่นั้นเดี๋ยวก็หายพอปล่อยมันก็หายไป เวทนามเกิดจากอะไรเกิดจากผัสสะผัสสะคือการกระทบเนี่ยร่างกายเราเราไปนวดมันเนี่ยกระทบก็เกิดเวทนาขึ้นมาถ้านวดเบาๆแหมเคลิ้มเลยมีสุขเวทนาเกิดขึ้นถ้านวดแรงนั่นก็ทุกข์ไปเลยแข้งขาเด้งไปเลยลองดูสิร่างกายที่นั่งอยู่นะร่างกายที่เรียนที่ร้อนที่อ่อนที่แข็ง ที่ตึงที่ไหวอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เรานะเวทนาที่เกิดขึ้นในร่างกายก็ไม่ใช่เราลองกดตัวนี้ก็ได้นะกดตัวนี้มีความรู้สึกเกิดขึ้นไหมความรู้สึกนั้นแหละเรียกว่าเวทนานะถ้ากดแรงก็เป็นทุกขเวทนาเกิดขึ้นถ้ากดแหมนุ่มนวล น, นุ่มนวลสบาย เคลิ้มเลยมีสุขเวทนาเกิดขึ้นในกายนะยากไหมจะรู้เวทนาเห็นจะยากตรงไหนเลยถ้ายากลงเข็หัวตัวเองแรงๆเดี๋ยวก็รู้เองอะ่นะจะได้หายโง่ด้วยจนะ <c oughs> <c oughs> เจ็บขึ้นหลังตัวเจ็บนะตัวเวทนานะไอ้หนูผู้หญิงนะั้นนะ นวดแล้วก็คิดเอาคิดเอาอย่างนั้นนะไม่ได้เรื่องหรอกนะมันไม่ใช่รู้สึกเอานวดไปมันเวทนายอย่างไางนะเงี้นนะยไม่รู้สึกหรอกแค่รู้สึกเอาวันนี้หลวงพ่อสอนปฏิบัติเลยนะตรีศีเรียนมาเยอะแล้ววันนี้ลงมือทำทันทีอันนี้ในส่วนของกายในส่วนของกายจะมีองค์ประกอบสามตัว หนึ่งตัวกายที่สองเวทนาที่เกิดขึ้นในกายที่สามใจที่เป็นคนรู้จิตที่เป็นคนรู้กายจิตที่เป็นคนรู้เวทนานี่เราได้สามขันแล้วนะขันสามตัวแนละ้วส่วนการที่เรานวดอยู่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกนะเออมันไม่ใช่เราไนวะนี่เป็นสัญญาขันนะเป็นการหมายรู้ ว่ามันไม่ใช่ตัวเราหมายรู้ว่าไม่เที่ยงหมายรู้ว่าเป็นทุกข์หมายรู้ว่าไม่ใช่ตัวเรานี่คือตัวสัญญาที่ดีบางคนบอกว่าสัญญาเนี่ยไม่ดีสู้ปัญญาไม่ได้หารู้ไหมว่าปัญญาถ้าไม่มีสัญญาปัญญาก็ไม่มีหรอกต้องหมายรู้ให้ถูกก่อนความคิดถูกแล้วความเห็นก็จะถูก นันเกิดสัมมาทิฏฐิเกิดตัวปัญญาขึ้นมามันจะบอกว่าสัญญาไม่ดีไม่ใช่ถ้าจะพูดถึงสัญญาต้องบอกสัญญาที่วิปลาสสัญญาที่เพี้ยนน่ะมันไม่ดีสัญญาที่เพียญญเพ้ยนมีสี่อย่างนะหมายรู้ของที่ไม่สวยไม่งามว่าสวยว่างามอย่างร่างกายเราเนี้ยไม่สวยไม่งามถ้าเราเคยพิจารณาอยู่ในกาย้ว ร, ร่างกายโสโครก ร่างกายเราเหมือนถุงหนังใบหนึ่งมีรูรั่วใหญ่ๆอยู่เก้ารูไปนับเอาเองมีรูรั่วเล็กๆนับไม่ท่วนมีของสกปรกโสโครกไหลชุ่มออกมาเป็นนิดในพระไตรปิอกใช้คำนี้มีของสกปรกไหลออกมาตลอดเวลาเลยจริงไหมอาบน้ำมาใหม่ๆนั่งไปเดียวๆเหงื่อออกเนี้ยเริ่มสกปรกแล้วที่จริงข้างในนี้เต็มไปด้วยของสกปรก นี่เราไปหมายรู้ผิดว่าเราสวยหน้าเราดีสะอาดอนะไรเงี้ยนี่เป็นการหมายรู้ผิดตัวที่หนึ่งหมายรู้ผิดตัวที่สองคือหมายรู้ของที่ไม่เที่ยงว่ามันเที่ยงอย่างชีวิตของพวกเราเนี้ยเรากำลังตายอยู่ตลอดเวลาเรากำลังใกล้ความตายเข้าไปเรื่อยๆเราตายเล็กตายน้อยไปเรื่อยๆพออายุมากขึ้นจำนวนที่ตายมันเยอะกว่าจานวนที่เกิด ความสุดโสมมันก็ปรากฏให้เห็นสุดท้ายมันก็ตายหมดแต่เราไม่เคยรู้สึกเลยร่างกายเนี้ยไม่เที่ยงแต่เรารู้สึกเที่ยงเพราะเราคนไหนรู้สึกว่าเราจะตายวันนี้บ้างใครคิดอย่างนี้บ้างว่าเราจะตายวันเนี้ยมีไหมถ้าไม่ได้คิดค่าตัวตายไม่คิดหรอกเนี่ยของไม่เที่ยงเราไปคิดว่ามันเที่ยงยังไงก็ไม่ตายวันเนี้ยทางที่ไม่แน่ ของเป็นทุกข์เราเห็นว่ามันเป็นสุขร่างกายนี้ยเป็นทุกข์นะนั่งอยู่ก็ทุกข์นอนอยู่ก็ทุกข์เรต้องพลิกไปพลิกมาทําอะไรก็ทุกข์เดี๋ยวหิวเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวปวดเดี๋ยวเมื่อยเดี๋ยวคันเดี๋ยวปวดอือปวดฉี่อะไรนะร่างกายนี้เต็มไปด้วยทุกข์เรารู้สึกแม่สบายวันนี้เห็นของเป็นทุกข์ว่าเป็นสุขเห็นของไม่ใช่เราว่าเป็นเราที่พาทําให้ดูตะเกียระ มันไม่ใช่เราซะหน่อยเราไปคิดว่านี่เราเรียกได้ว่าหมายรู้ผิดเพราะฉะนั้นเราพยายามนะฝึกรู้สึกตัวขึ้นมาเห็นร่างกายนั่งร่างกายหายใจร่างกายยืนเดินนั่งนอนอนะไรเนี้ยร่างกายเคลื่อนไหวหยุดนิ่งอนะไรเนียแล้เห็นร่างกายมันนะใจเป็นคนดูร่างกายเป็นของถูกดูใจเป็นคนดูบางทีมีเวทนาแทรกเข้ามาก็เห็นเวทนาไม่ใช่กายเวทนาก็ไม่ใช่จิต เวทนาก็เป็นอีกสิ่งหนึ่ง อ, อีกส่วนหนึ่งคําว่าส่วนนั่คือคำว่าขันนั่นี่งเป็นอีกขันหนึ่งแล้วดูลงไปร่างกายนี้มาเห็นมันจะเป็นเราตรงไหนเลยมีแต่ของเป็นทุกข์มีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของไม่ใช่เราเวทนาก็มีแต่บีบขันนะเกิดขึ้นมาแล้วสภาวะน่าสุขหรือทุกข์ก็ตามมันก็ถูกบีบขันให้แตกสลาย สุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ช่วคราวนะอะไรๆเกิดขึ้นในร่างกายนี้ชัวคราวหมดรวมทั้งอะไรที่เกิดขึ้นในจิตใจก็ชั่วคราวนี่เฝ้าดูเฝ้าดูลงไปพอไหวไหมเอาไปทํานะที่แรกก็นั่งก่อนเห็นมันหายใจใจเป็นคนดูไปเห็นมันนั่งใจเป็นคนดูไปก็ ล, ลองมาดูสัมผัส ด, ดู ตรงไหนว่าที่มันเป็นเราตรงนี้เป็นเราไหมนี่หรืออันนี้หรืออันนี้ไม่มีเราสักอันหนึ่งนะดูลงไปเรื่อยมีแต่วัตถุเป็นวัตถุวัตถุพวกนี้เรายืมโลกมาใช้กินอาหารเข้าไปกินน้ําเข้าไปหายใจเข้าไปนได้วัตถุมาเ้ามาประกอบกันด้วยกําลังของกรรม ประกอบกันขึ้นมาเป็นตัวนี้ขึ้นมาอยู่ไม่นานมันก็แตกสลายเสื่อมไปเฝนะ้ารู้เฝ้าดูอย่างนี้เร้ได้ไปนะทำได้ทำถึงพระอราหันต์ได้นะกายานุปัสสนาเนี่ยทำไปแล้วถึงที่สุดแห่งทุกข์ก็ได้เวทนานุปัสสนาทำไปก็ถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้จิตตานุปัสสนานะดู จิตที่เป็นกุศล น, นะกุศลนะเห็นเนี่ยโลบกโกรธหลงก็ไม่ใช่เราโลภโกรธหลงไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนาตาัตตาจิตที่ไปรู้ โ, บโลโบกโกรธหลงก็ไม่ใช่เราะจิตที่ไปรู้โลบโกรธหลงก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยเฝ้าดูลงไปก็ถึงที่สุดแห่งทุกได้เหมือนกันเป็นพระอรหันต์ได้เหมือนกันงั้นจะเดินทางกายทางเวทนาทางจิตอะไรก็ไปได้ที่เดียวกันนะไปถึงความหลุดพ้นเหมือนเหมือนกัน ไม่มีอะไรดีกว่าอะไรเะมีแต่ว่าเราถนัดอะไรเอาวันนั้นถ้าสติเรายังไม่ว่องไวเราดูจิตดูใจดูไม่ออกก็ดูกายไปถ้าสติปัญญาว่องไวแหลมคมแนละ้วดูกายก็แตกหมดกนะเข้ามาดูจิตหลวงพ่อเคยถามหลวงปู่ดุลนะหลวงปู่ครับผมไปวัดไหนวัดไหนก็ได้ยินครูบาอาจารย์ พูดถึงเรื่องกายเท้งนั้นเลยผมจะต้องบรรดู ก, กายไหมหลวงปู่ดูนัณนมองหน้า ห, าหลวงพ่อแบบสังเวชมันโง่แท่านไม่ได้ด่านะท่านมองแบบสงสารสลดใจถามอะไรไม่เข้าเรื่องท่านก็บอกว่าที่เขาดู ก, กายเพื่อให้เห็นจิตเมื่อเข้ามาถึงจิตแล้วจะเอาอะไรกับกายกายเป็นของทิ้งนี่พวกเราอ่ะวันหนึ่งวันหนึ่งมีเรื่องวกแวกวกแวก ดูจิตไม่ออกก็ดูไกายอย่างที่หลวงพ่อบอกนี่แะส่วนเรื่องดูจิตหลวงพ่อสอนมาเยอะแล้วนะคอยรู้ความรู้สึกนะึกคิดของตัวเองไปจิตใจสุขจิตใจทุกข์จิตใจดีจิตใจชั่วอะไรเงี้ยคอยร่วมไปจะเห็นเลยสุขทุกข์ดีชั่วแล้วจะเกิดแล้วดับนะปัญญามอยู่ตรงนั้นสุดท้ายเมื่อเห็นจริงก็ว่าง ถ้ามันใช่ของจิตนะพอมันเห็นจริงในกองทุกมันก็จะว่างมันเห็นกายเป็นทุกมันก็วางกายเห็นเวทนาเป็นตัวทุกมันก็วางเวทนาเห็นจิตตสังขารเป็นตัวทุกมันก็วางจิตตสังขารเห็นตัวรู้เป็นทุกมันก็วางตัวรู้ถ้าวางตัวรู้ได้ก็ไม่มีอะไรให้วางอีกแล้วก็หมดละที่สุดแห่งทุกอยู่ตรงที่ปล่อยวางจิตได้ที่สุดแห่งทุกอยู่ตรงที่ปล่อยวางจิตได้ นี่ก่อนจะเข้ามาถึงจิตะถ้าเข้ามาที่จิตได้ก็เข้ามาเลยเข้ามาไม่ได้ก็ผ่านเข้ามาทางกายทางเวทนาเนี่ยมันก็เข้ามาที่จิตเองแหละวันนี้เท่านี้ก็พอแล้วนะเอาไปทํานะที่สอนให้วันนี้ต้องเอาไปทําแล้วเราจะเห็นว่าธรรมมาของพระพุทธเจ้ามีจริงๆปฏิบัติแล้วความทุกข์ลดลงจริงๆเรายังไม่ถึงขั้นสิ้นทุกข์สิ้นเชิงหรอก แค่ความทุกร์ลดลงเห็นเห็นได้อย่างนั้นก็ดีแล้วใจมันจะมีศรัทธามากขึ้นต่อไปภาวนาเนะ็นเข้าใจธรรมะนะรู้ว่าตัวเราไม่มีอะไรๆก็ไม่ใช่เราเนี่ยรู้ความจริงตรงนี้นะจะรู้เลยพระพุทธเจ้ามีจริงท่านสอนธรรมะนี้มาพระธรรมมีจริงแล้วเราทำตามที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยเราพลนทุกข์ได้จริงพระสงค์มีจริงเพราเรากลายเป็นพระสง์ไปแล้ว จะบวชหรือไม่บวชเราก็เป็นพระสงฆ์แนละ้วอย่างหลวงพ่อเนี้ยนะไปหาอุปชาแล้วก็มีบาตมีชีวรมีขอบวชนะบวชออกมานี่ก็เรียกสมมุติสงฆ์ส่วนจะเป็นพระสงฆ์เป็นหรือไม่เป็นจิตเราเองฆรวาสก็เป็นพระสงฆ์ได้นะหมายเลขเจ็ดค่ะส่งกันบ้านครั้งแรก เริ่มปฏิบัติตามแนวทางที่หลวงพ่อสอนได้6กเดือนเพราะเจอความทุกข์ในรูปแบบจะใช้การเดินจงกรมทุกวันเพิ่งเริ่มรู้จักคำว่าธรรมดาเมื่อสามวันที่ผ่านมาเพราะวันนั้นไปคุยกับคนที่ทำให้เราทุกข์แล้วทั้งวันรู้สึกว่าจิตมันดิ้นฟุ้งซ่านมากดูอะไรไม่รู้เรื่องเลยพอตกเย็นตอนที่ไม่ได้คิดว่าจะปฏิบัติแล้ว เอื้อมมือไปหยิบไม้กวาดก็เห็นจิตมันคิดเองและมีตัวที่รู้ที่ดูอยู่ต่างหาก hmm. ทำให้รู้ว่าที่ผ่านมาเพ่งไว้เป็นส่วนใหญ่ hmm. ปัจจุบันยังใช้การเดินจงกรมเป็นหลักกายเดินจิตหลงไปคิดแล้วรู้ห hmm. ลงไปเพ่งก็รู้ดูทันบ้างไม่ทันบ้าง บางครั้งดูไม่ทันจะรู้อีกทีตอนที่รู้สึกหนักที่ทายทอยคิดว่าน่าจะพอแยกธาตุแยกขันได้แล้วเห็นธาตุขันทํางานจิตเป็นผู้รู้บางครั้งสามารถดูแบบคนวงนอกได้บางครั้งก็จะเข้าไปรวมกับอารมณ์บางครั้งโดนอารมณ์ย้อมจิตพยายามจะมีสติอยู่กับเนื้อกับตัว และตามรู้ตามดูกายใจมันทำงานตั้งแต่ตื่นจนหลับตามที่หลวงพ่อสอนขอคำแนะนำจากหลวงพ่อเพื่อพัฒนาการปฏิบัติที่ถูกต้องที่ควรต่อไปค่ะเราอย่าหวังผลนะอย่าโลภมันยังโลภนิดหน่อยที่ภาวนานนะถูกต้องถูกเป๊เลยไปทำอีก แต่ทำแล้วก็ไม่ได้หวังผลว่าจะต้องอย่างโ น, น้นต้องอย่างนี้จะต้องพ้นทุกข์ด้วยนะถ้าเราทำด้วยความอยากเนะี่ยความโลภมันเกินสติมันจะไม่สาดไม่ไม่ใช่ของจริงอย่างตอนนี้ใจเราไหลไปคิดทราบไหมเนี่ยฝึก อ, อย่างนี้เมื่อกี้ร่างกายขยับเราก็เห็นใช้ได้นะทำถูกแล้วนะไปทาอีกไปทำเยอะๆเดี๋ยวเราจะเห็นผลด้วยตัวเราเอง เลขสิบสองค่ะกราบขอเข้ามาหลวงพ่อค่ะที่หนูเคยร่วงเกินหลวงพ่อทางใจอขอบพระคุณหลวงพ่อที่เมตตาสั่งสอนมาตลอดหนูมีความจำเป็นต้องบวชหรือยังคะขอหลวงพ่อเมตตาแนะนำด้วยค่ะไม่จำเป็นหรอกอยู่ตรงไหนมันก็ภาวนาได้นะยังไม่จำเป็นหรอกใจเรายัางไม่เป็นกลางกับโลกดูออกไหมตรงเนี้ย เรายังไม่ชอบโลกอยู่เราไม่ชอบโลกนะเบื่อน่าลาคาญอย่างนะี้ถ้าใจเรายังไม่เป็นกลางออกไปอยู่วัดมันก็ไม่เป็นกลางอีกแล้ววัดมันก็คือโลกโลกหนึ่งนะเต็มไปด้วยมนษุษย์นานาชนิดดีบ้างชั่วบ้างไม่ใช่ทุกคนบริสุทธิ์ งั้นถ้าเรายัางอยู่กับโลกล้ายังหาความสุขไม่ได้นะม่อยู่ในวัดมันก็เหมือนกันแหละคนในวัดนะตีกันเอยอะแยะไปบางวัดก็แย่งเข้าแย่งของกันนะยึดพื้นที่สร้างอาณาจักรอนะไรมีแทบทุกวัดะที่เคยเห็นมางอยู่ที่ไหนนะเราก็ภาวนาเอาไม่มีตั้งเงื่อนไขหรอกว่าต้องไปบวชถึงจะภาวนาได้ หลวงพ่อไม่ได้ตั้งเงื่อนไขอย่างนั้นหลวงพ่อภาวนาตั้งแต่เป็นโยมครูบาอาจารย์กรับรองให้เลยว่าภาวนาถูกละฉะนั้นหนูใจมันยังไม่ชอบใจมันยังไม่เป็นกลางต่อโลกยันอยู่ตรงไหนมันก็จะไม่มีความสุขมันไม่ได้มีความสุขเพราะโลกนะไม่ใช่เป็นทุกข์เพราะโลกแต่มันเป็นทุกข์เพราะใจมันไม่เป็นกลาง ม่อยู่วัดถ้าใจไม่เป็นกลางมันก็ทุกอีกแล้วไปอยู่ตรงไหนถ้าใจไม่เป็นกลางมันก็ทุกอีกแล้วหลวงปู่เทศท่านถึงสอนมาว่าภาวนานะถ้าเข้าถึงความเป็นกลางถึงจะพ้นจา ก, กทุกข์ทางปวงได้ไปภาวนาต่อไปหมายเลขยี่สิบสองค่ะผมปฏิบัติตามที่หลวงพ่อสอนต่อเนื่องมาห้าปีครับ ใช้วิธีสวดมนต์แล้วดูใจที่ไหลไปคิดปีที่แล้วได้มีโอกาสส่งการบ้านหลวงพ่อเมตตาบอกว่าพื้นฐานดีแต่เดินปัญญายังไม่ค่อยคล่องให้ไปเพิ่มการเจริญปัญญาคือเวลามีสติระลึกรู้ที่กายใจก็ให้ช่วยคิดพิจารณาว่ากายใจเป็นไตรลักษณ์ผมก็ทำทุกวันครับก็พอทำได้แม้ยังไม่คล่องเท่าไหร่ แต่คิดว่าน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆอยู่ปีนี้ได้มีโอกาสมาส่งการบ้านอีกจึงขอความเมตตาหลวงพ่อชี้แนะต่อไปด้วยครับทำได้ดีแล้วนะทำได้ถูกแล้วเราก็ทำให้สม่ำเสมอไม่ไม่ใช่ทำบ้างหยุดบ้างทำสม่ำเสมอไปเรื่อยๆต่อไปเราไม่เจตนาจะดูไตรลักษณ์มันก็เห็นไตรลักษณ์เอง ตรงที่มันสามารถเห็นไตรลักษณ์ได้เองโดยที่เราไม่ได้คิดเอาอะนะตรงนั้นแหละจิตมันขึ้นวิปัสนาจริงๆแล้วแล้วถ้าจิตมันขึ้นวิปัสนาโดยที่ใจเราตั้งมั่นมากพอเนะ่มันก็จะเดินปัญญาราบรื่นไปถ้าใจเราไม่ตั้งมั่นพอเดินปัญญาไปช่วงใจไม่ตั้งมั่นมันจะเกิดวิปสัสณูภักิเลเขึ้นมาจะมีกิเลสมันหลอกเรา หลอกว่าเราเป็นโน้นเป็นนี้อะไรขึ้นมานะที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะยังมีเพ่งนิดหน่อยนะเพ่งอยู่มันจะแน่นแ่นขึ้นมานะเราก็รู้เอานะดีใช้ได้ละไปทำต่อหมายเลขสี่สิบแปดค่ะผมเริ่มฟังธรรมหลวงพ่อได้สามเดือน ได้ฝึกปฏิบัติคือนั่งสมาธิพยายามดูลมหายใจเวลาเผลอไปคิดก็รู้ว่าคิดและกลับมาที่ลมหายใจแต่รู้สึกว่าเมื่อกลับมาอยู่กับลมหายใจจะมีอาการเพ่งมากขึ้นเรื่อยๆ <c oughs> จนปวดศรีรษะเกือบทุกครั้งที่นั่งสมาธิอขอหลวงพ่อเมตตาชี้แนะครับแต่นั่งแล้วมันติดเพ่งเคยชินนี่ยนัก็เคลื่อนไหวเอา ขยับขยับอะไรเนะี่คอยรู้สึกเอาหางานทำนะกวาดบ้านซักผ้าอะไรอย่างเงี้ยทำไปหางานทำเคลื่อนไหวร่างกายไปหรือเดินเอาถ้าทำในรูปแบบแบบนั่งแล้วเพ่งแรงก็ทำอย่างอื่นอะไรก็ได้เป็นเครื่องอยู่อาศัยร่างกายที่เคลื่อนไหวเป็นเครื่องอยู่อะไรเงี้ยจิตยังติดเพ่งแรงจริงๆรงอยู่ ถ้าเราสังเกตเห็นว่าการเพ่งมีเบื้องหลังละไเหตุที่อยู่เบื้องหลังเสียได้การเพ่งก็หายเบื้องหลังการเพ่งก็คืออยากอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้อยากดีอยากรู้ตลอดเวลาอะไรเงี้ยมันมีความอยากอยากปฏิบัติพอมีความอยากเกิดขึ้นมันก็จะเกิดการเพ่งขึ้นมา นี่เรารู้ทันอ้นี่มันอยากปฏิบัติอีกแล้วเนี่ยรู้ทันนะหนึ่งก็ไม่เพ่งหรอกแต่ว่าถ้าเพ่งเนี่ยก็แก้ยากอาศัยกรรมฐานที่เคลื่อนไหวไว้อยู่างบางคนเขาเดินแต่ไม่ใช่เดินจงกลมแบบตั้งอกตั้งใจนะมันก็เพ่งอีกแหละเดินทำโ น, น้นทำนี่ไปเคลื่อนไหวไปเราเห็นร่างกายมันทำงานไปเรื่อยๆตอนหลวงพ่อบวชที่วัดชมพูทานนะฮะมี ราผู้เฒ่าอยู่องหนึ่งท่านไม่แข็งแรงนะท่านมีปอดอยู่ข้างเดียวตื่นเช้าพอฉันเสร็จนะถือไม้กวาดสองอนนะันกวาดวัดหน้าวัดกวาดไปท้ายวัดนะแล้วกลับมาหน้าวัดกวาดไปอีกกวาดไปกวาดมา้ทั้งวันเลยหลวงพ่อตอนนั้นภาวนาไม่เป็นนะก็ส่งสารท่าน น, นบอกว่าหลวงหลวงพ่อครับไปนั่งสมาธิกันดีกว่านะ งานกวาดวัดเนี่ยไม่ต้องกังวล น, นะเดี๋ยวผมมาช่วยกวาดชวนท่านไปนั่งสมาธินะท่านหัวเราะอะไรบกคุรบวชั่วคราวคนไปนั่งไปผมกวาดเองกนะว่าจะรู้ว่าที่ท่านกวาดนยะท่านปฏิบัติอยู่นะใช้เวลาตั้งนานกนะว่าจะหายโง่นั้นอย่างแค่กวาดบ้านเนี่ยแหละก็คือการปฏิบัติธรรมนะซักผ้าเดี๋ยวนี้ปิดซักเครื่องกันหมดเลย ไม่มีรสชาติถ้าหน้าหนาวซักด้วยมือเนี่ยหมมีรสชาตินะสติเห็นนลจิตนมันสั่นสะเทือนมันกลัวหนาวอะไรเงี้ยเราเคลื่อนไหวเราทำงานไปใจมันจะได้ไม่ติดเพ่งหมายเลขห้าสิบสองค่ะที่ผ่านมาตั้งใจรักษาศีลทำรูปแบบด้วยการเดินจงกรมประมาณวันละหนึ่งชั่วโมง ระหว่างวันใช้การบริกรรมพุโทโธและรู้สึกกายที่เคลื่อนไหวการภาวนาคิดเองว่าพอจะเข้าใจหลักที่หลวงพ่อสอนแต่พอปฏิบัติจริงประเมินตนเองว่ายังหนักไปทางฟุ้งซ่านบางครั้งหลงนานจิตตั้งมั่นยังเกิดน้อยเห็นสภาวะแวบเดียวก็จะไหลเข้าไปอินกับเรื่องราวจิตยังไม่ค่อยเป็นกลางกับการรู้สภาวะ ขอหลวงพ่อเมตตาชี้แนะเพื่อนําไปพัฒนาต่อด้วยค่ะไม่จําเป็นต้องชี้อะไรหรอกนะม่มีสภาวะอะไรเกิดขึ้นเรารู้เราเห็นด้วยตัวของเราเองนั่นแหละถูกแล้วไม่ต้องถามใครหรอกเนี่ยดูมันมีแต่ความเปลี่ยนแปล ง, ปลงเห็นไหมทุกอย่างมาเองอยู่ชั่วคราวแล้วก็ไปของมันเองเราไม่ต้องไปแทรกแซงไม่ต้องไปบังคับมัน นี้เครื่องเผลอบ่อยหลงบ่อยอะไรเนี่ยก็ต้องหาเครื่องอยู่ให้จิตอยู่นะหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรไปใจหนีไปคิดจะรู้ทันบ่อยๆนีดหน่อยมันจะไม่หลงนานแต่ไม่ให้หลงเลยไม่ได้นะจิตมีหน้าที่คิดแต่ว่าธรรมชาติของพวกเราสติเราไม่เกิดตอนคิดปุ๊บมันหลงไปเลยนะพระลาหารหันก็คิดนะไม่ใช่ไม่คิดแต่คิดแล้วไม่หลง โดยที่ไม่ได้รักษาสติมนอัตโนมัติค่อยๆฝึกไปใจมันยังมีความโลภอยู่นะมันยังอยากได้ผลเร็วๆอย่างนี้มันเลยฟุง้งฟุ้งก็เพราะอย่างอีกแหละดิ้นรนทํายังไงจะดีทํายังไงจะถูกทําไงจะดีมากกว่านี้อีกอะไรอย่างนี้จะดิ้นๆทุกวันอย่างนะ้นรู้ทันมันไป ที่ฝึกก็ใช้ได้นะดูสภาวะหมายเลขเจ็ิเอ็ดค่ะหลายปีที่ผ่านมาผมฝึกภาวนาแล้วติดเพ่งหนักมากครับในช่วงหลังจึงใช้ชีวิตประจำวันไปตามปกติแต่ก็ไม่ทิ้งการรักษาศีลและทำในรูปแบบเป็นประจำทุกวันก็ยังคงหลงไปเพ่งบ้างบางช่วงครับ ขอความเมตตาหลวงพ่อช่วยชี้แนะเพื่อการภาวนาที่จะทำให้สบายขึ้นเป็นธรรมดาปกติมากขึ้นครับมันอยู่ที่ชั่วโมงบินของเราอะนะอัดใหม่ๆมันเพ่งทุกคนแหละถ้าตั้งใจมากก็เพ่งมากแต่เดิมเพ่งแล้วนึกว่าดีนะได้ยินได้ฟังหลวงพ่อสอนเพ่งไม่ดีพอเรารู้มันเพ่งขึ้นมาเรารู้ว่าเพ่ง มันจะค่อยๆคลายองแต่ถ้าเห็นมันเพ่งเราอยากให้หายนะดิ้นรนจะให้หายนะไม่หายถ้ามันเพ่งเรารู้ว่าเพ่งอยู่รู้ได้ใจที่เป็นกลางๆเออมันเพ่งแฮะมันเพ่งได้เองอะไรเงี้ยจิตนี้มันไปเพ่งได้เองจิตไม่ใช่เราหรอกเฝ้ารู้เฝ้าดูไปสบายๆเดี๋ยวมันก็เลิกเพ่งเพราะอะไรทำไมมันเลิกเพ่งมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันเลยไม่มีอะไรคงที่สักอย่างเดียว ตอนนี้ใจไหลไปแล้วรู้ไหมไหลไปคิดนะใจเราไหลไปคิดเราก็รู้ไม่ห้ามนี่พอรู้ว่าใจไหลไปคิดปุ๊บก็เพ่งปับ๊บเป็นธรรมดาคนที่ไม่เคยภาวนานะจิตมีแบบเดียวคือหลงหลงทั้งวันคนหัดภาวนาช่วงแรกจิตจะมีสามลักษณะอันหนึ่งหลงที่สองรู้ว่าหลงอันที่สามจะเพ่งพอรู้ว่าหลงปุ๊บก็เพ่งเลยเพื่อจะไม่ให้หลงอีก ต่อไปพอฝึกชำนาญขึ้นน้มันจะเหลือสองอันหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้ไม่เพง่งพอชำนาญพอฝึกสุดขีดจริงๆก็เหลืออันเดียวเหลือแต่รู้ไม่หลงตรงข้ามกับจุดตั้งต้นนะอันแรกหลงไม่รู้อันสุดท้ายนะียรู้ไม่หลงแต่ว่าระหว่างทางมันเป็นอย่างที่เป็นนี่แหละเป็นทุกคนแหละมันต้องเพ่งบ้างแหละเพ่งแล้วก็อย่าไปเกลียดมัน ก็เห็นไปโอ้จิตมันเพ่งได้เองนะดูมุมนี้ไปเรื่อยๆคุณเป็นคนเพิ่งปัญญาเยอะนะมันดูในมุมของอนัตตาไว้อ็จิตมันเพ่งได้เองนะดูอย่างนี้หมายเลขหนึ่งรอยี่สิบสี่ค่ะสภาวะตื่นรู้สามารถแยกได้อย่างไรระหว่างความคิดกับจิตผู้รู้ที่เกิดปัญญามีสามตัวนะ อันหนึ่งสภาวะที่คิดหลงคิดนะที่สองสภาวะที่รู้รู้เฉยเฉยที่สามที่พูดถึงรู้แล้วก็มีปัญญาด้วย น, นี่ถามทีเดียวหลายตัวเลยนะเดี๋ยวงงเราต้องทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะอย่าห้ใชเข้าพูดออกโธอะไรก็ได้แล้วเวลามันหลงนียหลงคิดนะมันจะลืมพูดโธ หรือลืมร่างกายร่างกายหายใจก็ลืมท่องพุโทโธอยู่ก็ลืมถ้าเราทํากรรมฐานนะหายใจเข้าพุ่ออกโธอะไรเงี้ยพอมันลืมร่างกายมันลืมพุโทโธเนะี่ยเราจะรู้ได้เร็วว่านี่หลงไปละทันทีที่เรารู้ว่าหลงตัวรู้ก็จะเกิดขึ้นเกิดขึ้นเองสั่งให้เกิดไม่ได้ตัวรู้ก็เป็นอนัตตา เกิดขึ้นเองแล้วก็อย่าไปรักษามันถ้ารักษาจะกลายเป็นตัวเพง่งเดี๋ยวไปฟังซ้ำๆหน่อยนะหนูถามสภาวะมันเยอะพอเรารู้ว่าใจมันหลงไปคิดตัวคิดดับเกิดตัวรู้พอตัวรู้เกิดขึ้นใหม่ๆเนี่ยมันจะกลัวจะหลงไปคิดอีกที่จะไปเพง่งเป็นทุกคนแหละรู้ว่ากำลังเพ่งอยู่อยากเลิกเพง่ง รู้ว่าอยากพอความอยากไม่มีการเพ่งก็ดับตรงที่เราเห็นสภาวานะเกิดแล้วดับได้ตัวนั้นมันเดินปัญญาได้ยังมันเห็นว่าการเพ้งก็มีเหตุให้เกิดพอเหตุมันหมดคือความอยากอยากแค่ปฏิบัตนะิหมดการเพ่งก็หมดสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุถ้าเหตุ ด, ดับสิ่งนั้นก็ดับนี่คือตัวปัญญาไม่ใช่รู้ตัวอยู่เฉยๆแล้ว แต่รู้ตัวแล้วก็ขยับไปอีกช็อตหนึ่งอีกขั้นหนึ่งนะให้เห็นเลยว่ามันมีแต่ไตรลักษณ์นะดังนั้นถึงจะเป็นตัวรู้ที่มีปัญญาเห็นไตรลักษณ์แต่ถ้าคิดเรื่องไตรลักษณ์นั้นตัวหลงนะหลงคิดเรื่องไตรลักษณ์ไหวป่าอัน <laughs> แรกเลยทํากรรมฐานสักอย่างหนึง่งนเะช่นหายใจเข้าพูทออกโท พอจิตมันหลงไปมันจะลืมกายที่หายใจอยู่ลืมจิตที่ท่องพุทโธอยู่พอเรารู้ว่ามันลืมไปมันหลงไปมันหายไปนะตัวหลงมันจะดับอัตโนมัติตัวรู้มันจะเกิดอัตโนมัติพอมีตัวรู้แล้วเราก็ฝึกตัวนี้ให้ชํานาญก่อนละแล้วค่อยเดินปัญญาทีหลังพอมีตัวรู้แล้วก็ดูลงไปก็จิตมันหลงได้เองฮะ เราไม่ได้สั่งมันเลยเราคิดจะไม่ให้หลงมันก็ยังหลงเลยนะจิตมันไม่ใช่ตัวเราอัานน้มันเริ่มเดินปัญญาล้วแต่ถ้ารู้ตัวอยู่เฉยๆไม่เดินปัญญาเป็นสมาธินะถ้าเห็นไตรลักษณ์นี่จ ะ, จะเรียกว่าเจริญปัญญางั้นบางคนน่ะช่วยมากเลยบอกว่าหลวงพ่อประโมทสอนให้รู้ตัวอยู่เฉยๆเดี๋ยววันหนึ่งก็บรรู้มรผลบรรู้ไม่ได้หรอก ยังไม่ได้เจริญปัญญารู้ตั ว, ว, วเฉยๆเป็นสมาธิของหนูอย่าใจร้อนนะหนูไปทำตาม ท, ท, ท, ที่บอกหายใจไปพุโทโธไปแล้วหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้ไปฝึกตัวนี้ให้ชำนาญแล้วตัวลื่นเดี๋ยวมันมาได้ไม่ยากหมายเลขหนึ่งสาสาค่ะคนสุดท้ายเข้าวัดฟังธรรมกับหลวงพ่อส2บสองปี ถึงวันนี้หนูทราบแล้วค่ะว่าหลวงพ่อสอนหลักภาวนาอย่างไรหนูจะภาวนาต่อไปแม้ไม่ได้ผลในชาตินี้ชาติต่อไปขอกลับมาภาวนาต่อไปจนจิตจรละซึ่งกิเลสในใจได้ค่ะกลับขอบคุณหลวงพ่อที่สุดค่ะภาวนาดีขึ้นมากแล้วนะพอจะรู้แล้วว่าภาวนาเขาทำยังไงหน้าที่เราก็คือปฏิบัต ให้สม่ำเสมอไปเอนนั้นแหละรักษาสี่ห้านะาน 5, นะทุกวันทำในรูปแบบแบ่งเวลาไว้เลยนะแล้วที่เหลือเนี่ยมีสติอยู่ในชีวิตประจำวันร่างกายกระดุกกระดิกรู้ร่างกายหายใจรูร่างกายยืนเดินนั่งนอนระล้ความรู้สึกนึกคิดอะไรเกิดขึ้นก็รู้ทำรู้ตามดูมไป แ้วถ้าดูไปถูกไปแล้วใจมันฟุ้งซ่านเราก็กลับมาอยู่กับสมาธิของเราหายใจเข้าพูดออกโทอะไรก็ทําไปะสลับไปเรื่อยๆใจมันก็จะพัฒนาไปได้ถ้าตั้งใจเด่นเดียวว่าจะภาวนากี่ชาติก็จะภาวนานะมักจเร็วนะมันไม่ไม่ขี้เกียจเรตั้งใจไปแล้วก็ไม่ได้คาดหวังว่าต้องได้ในชาตินี้ถ้าอยากได้มันจะไม่ได้ตอนที่ได้ไม่ได้ไไดอยาก ตอนที่อยากมันไม่ได้แต่เบื้องต้นก็อาศัยอยากนี่แหละอยากจะได้อยากจะพ้นทุกข์อยากจะดีก็มาตั้งออกตั้งใจปฏิบัติพอปฏิบัติแล้วต่อไปก็จับหลักได้รู้สภาวะอย่างที่เป็นนะไม่ใช่อยากให้มันเป็นอย่างโน้นอยากให้มันเป็นอย่างนี้พอได้หลักแล้วครานี้มันจะเดินปัญญาได้จริงแล้วการภาวนาจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป ตอนนี้กรารภาวนาของหนูมันมาถึงจุดที่เริ่มง่ายแล้วรู้สึกไหมไม่เห็นมีอะไรเลยแต่ที่เราทำไม่ได้ในสมัยก่อนนะเพราะเราหลงเราลงอยู่ในโลกของความคิดตลอดเวลาดีอนุโมทนาด้วยเชิญกลับบ้านหลวงพ่อสังเกตอย่างนะว่าตั้งแต่ใช้ระบบให้จองเนี่ย คนใหม่ๆนะเข้ามาเยอะมากเลยมีโอกาสเข้ามาในศาลามีโอกาสมาถามหลวงพ่อนี่ยเยอะก่อนพวกเราแย่งเขาไม่ทันวิ่งเข้ามาตั้งแต่ตีสี่มาเฝ้าหน้าวัดเนี่ยจะแช่งกันเข้าศาลาแย่งเขาไม่ทันนี่เราไปจองเอาเนี่ยโอกาสได้นี่มันเยอะก็อจองได้แล้วก็มาฟังฟังแล้วก็ลงมือทำ หลายคนที่ส่งกันบ้านเนี่ยปฏิบัติมาสามเดือนสี่เดือนห้าเดือนหกเดือนเลยเนยมีความเปลี่ยนแปลงที่ตัวเองก็เห็นได้ด้วยตัวเองรู้ว่าการภาวนาจริงๆเขาทำกันยังไงไม่ใช่นั่งสมาธิให้เคลิมๆคลมงอกแง้งอกแง้งอะไรอ่าง น, น้ไม่ได้เรื่องได้ราวหรือนั่งแล้วเครียดอะไรยเยฟังที่หลวงพ่อสอนนะไปฟังบ่อยๆแต่ฟังแล้วอย่าไปคิดเอา ังแล้วลงลงมือทำดูอย่างที่หลวงพ่อสอนเมื่อเช้านี้สอนให้ลงมือทำจริงๆดูกายดูใจดูกายดูใจไปแล้วสุดท้ายมันจะเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจถ้าเห็นตรงนั้นได้นะ้สุดท้ายมันจะเห็นวนะ่ากายนี้ไม่มีอะไรหรอกนอกจากทุกข์จิตนี้ไม่มีอะไรหรอกนอกจากทุกข์พอเห็นทุกข์อย่างนี้นั้นจิตนจะวางจะไปยึดกายทาไมกายมันตัวทุกข์ จะไปยึดจิต ท, ทำไมจิตเป็นตัวทุกข์เพราะฉะการรู้ทุกข์นี่นแหละจะทําให้วางฝ่อยวางแล้วพนทุกข์ถ้าไม่รู้ทุกข์ก็อยากไปเรื่อยๆอยากไปเรื่อยๆก็ทุกข์ไปเรื่อยๆเชิญกลับบ้านขับรถ ด, ดีๆนะฝนตก